เจริญพนท่านสาธุชนพุทธบานสัตว์บาสุปอบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมศวนะ วันฟังธรรมเป็นวันประเสริฐเพราะคําว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐคาว่าพระนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่มีเครื่องแบบเช่นนุ่งเหลือโกโนสีสระเพียงอย่างเดียวคาว่าพระความหมายที่แท้จริงหมายถึงผู้ประเสริฐซึ่งส่วนมากผู้ที่คล้องผ้าเหลอ ผู้ที่กรรศีลศากเป็นผู้ประพฤติดปีปฏิบัตดิดีก็เป็นผู้ประเสริฐความประเสริฐความดีงามนี้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบไม่ได้อยู่ที่การกรรศีลศากหรืออยู่ที่การนุ่งเหลืองผ่มเหลืองแต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนถ้าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ ก็จะเป็นพระเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็มีท่านคับบวชและคาว่าผู้ของร น, นินพระสาวกพระที่เรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์นี้ก็มีอยู่สีขั้นด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าพราะอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าพาาาระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ไม่มีทั้งผู้ที่เป็นนักบวชและมีทั้งผู้ที่เป็นคลว่าคู่ของเลือนเพราะการเป็นพระอริยสองนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศอยู่ที่คารการเป็นคารวะหรือเป็นพระภิกษุไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าทุกคนสามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความประเสริฐความเป็นพระที่แท้จริงนั้น เกิอยู่ที่การปฏิบัติดีคือสุ ป, ปฏิปันโนอูชุ ป, ปฏิปันโนการปฏิบัติตรงยายะ ป, ปฏิปันโนการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจและสามีจิต ป, ปฏิปันโนคือการประพฤติ ท, ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าผู้ใดที่สามารถ ปฏิบัติทั้งสี่ประกาศนี้ได้ย่อมบรรลุาการเป็นพระอริยบุคคล4ช่ชนิดนี้ตามลำดับขึ้นไปขั้นแรกก็ได้เป็นพระโสดาบันขั้นที่สองก็พระสกิทาคามีขั้นที่สามก็พระอนาคามีและขั้นที่สี่ก็คือพระอารหันต์ อ น, นิสงส์จากการที่ได้บรรลุเป็นพระอาริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็มีดังนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดครั้งก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าได้เป็นขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามี ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวแล้วถ้าได้บรรลุขั้นที่สามได้เป็นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานก็ยังต้องไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นโครงสวรรค์ชั้นสุดทาวามีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วจะปฏิบัติต่อไปจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต แต่พระนากามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมไปจนถึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถึงพระนิพพานได้ถึงที่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายนี่แหละคือความหมายของพระ ของคำว่าประเสริฐที่แท้จริงท่านหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นชนชาติชั้นวรรณะใดเป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวไทยเป็นชาวอไก็สามารถที่จะ เป็นพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้พระสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความดับความทุกข์ได้นี่คือความหมายของคําว่าพระมีสองความหมายความหมายที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่ก็หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่มาบวชแล้วก็มา ใส่เครื่องแบบของพระภิกษุโกนศีรษะนุ่งเหลืองห่มเหลืองอันนี้ก็เป็นพระแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นพระอริยะสงสาวกขึ้นมาทันทีการบวชการนุ่งเหลืองการโกนศีรษะไม่ได้เป็นการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่หมดทุกส่วนเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจะได้เพื่อแสดงให้ ว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคำว่าพระภิกษุนี้แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในสังสารวัตรเห็นภัยว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตาย ทุกกับการทัดพ่อน้มันจะเทศมันจะแข่งกันปล่อยให้มันเทศก่อนเดี๋ยวมันเหนื่อยแล้วเราพหยุดเพราะเทศแข่งกันก็ฟังไม่รู้เรื่องการฟังเทศมันต้องมีความสงบพอสมควรจึงเวลาฟังธรรมจึงได้ปิดพัดลมบางตัวพัดลมบางตัวนี้เสียงมันดังแล้วมันจะทำให้เสียงธรรมนี้ฟังได้ยาก เมื่อฟังไม่ได้ง่ายมันก็จะไม่อยากฟังไม่ตั้งใจฟังพอไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะธรรมที่ฟังก็จะไม่เข้าไปในใจจะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปฟังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไปอ น, นิสง์ห้าประการที่เกิดจากการฟังธรรมคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เช่นวันนี้เราอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องคำว่าพระนี้ที่แท้จริงหมายถึงใครกันแน่พระที่แท้จริงก็หมายถึงพระอริยสงสาวรมีอยู่สี่ระดับเรียกว่าพระอริยเจ้าพระโสดาพระสกิดาพระอนาคาพระอรหันต์ถ้าเราไม่มาฟังเทศเราก็อาจจะคิดว่าพระอริยสงฆ์พระที่อยู่ในพระรัตนใจ ก็คือผู้ที่มาโกนศรีรษะแล้วก็นุ่งเหลืองมเหลืองท่านเหล่านี้ยังเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้แล้วจะไปให้คนอื่นพึ่งได้อย่างไรแต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคารีพระอนาคามีพระอาหารหันต์แล้วท่านจะเป็นที่พึ่งของตนได้ท่านจะไม่ต้องพึ่งใครท่านสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ด้วยการบรรลุ เป็นพระ อ, อริยสงสาวกและเมื่อท่านสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ท่านก็สามารถสอนให้คนอื่นอยู่เหนือความทุกข์ได้ท่านจึงท่านจึงเป็นสังฆารัตนะของพวกเราสังฆารัตนะคือปราาะรัตนาที่เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราที่จะสอนให้พวกเรารู้จักวิธีดับความทุกข์นี้ ต้องเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระธรรมดาพระที่ครึ่งบวชพระที่ยังไม่ได้บรรลุนี้ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เพราะตนเองก็ยังไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้เช่นพระโสดาบันนี้ท่านสามารถอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บขไข้ได้ป่วยได้ อยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้คือความหมายก็คือท่านไม่กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่กลัวตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีปัญญาท่านสามารถแยกตัวของท่านออกจากร่างกายได้ท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวของท่านเป็นเหมือนละเหมือนร่างกายของคนอื่น เวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกไปกับเขาหรือเปล่าเราเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่าเวลาคนอื่นเขาตายเราทุกไปด้วยหรือเปล่าคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ทุกเลยเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ร่างกายของเราฉัใาษาษา خر, านใดพระสาวดานี้ก็จะเห็นว่าร่างกายของท่านไม่ใช่เป็นร่างกายของท่านเป็นเพียงคนรับใช้ ท, ท่านนั้นเอง ท่านเป็นนายเห็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านมีปัญญาที่สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้จึงทําให้ท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายพอท่านมีความรู้อย่างนี้ท่านก็สามารถนําเอามาสั่งสอนพวกเราที่ยังกลัวเจ็บกลัวตายกันได้ถ้าเรานํำคําสอนของท่านไปปฏิบัติ พยายามแยกตัวเราออกจากร่างกายพยายามมองร่างกายเราว่าเป็นเหมือนคนรับใช้เราเวลา<โท>มีคนรับใช้นี่เราไปรักเขาเหมือนกับรักร่างกายของเราหรือเปล่าคนรับใช้เราก็มีไว้เพื่อรับใช้เราไม่มากังวลกับเขาหรอก <c oughs> เขาจะเป็นเขาจะตายอย่างไร <c oughs> <c oughs> มันก็เรื่องของเขาดัางนั้นเราควรที่จะมองร่างกายของเราเป็นเหมือนคนรับใช้ ก็เลี้ยงเขาไปตามอัตภาพมีอาหารอะไรก็ให้เขากินไปมีเครื่องนุงหงายเขาใส่ไปไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายเวลาเราเลี้ยมคนใช้นี้เราซื้อเสื้อผ้าแพงๆให้เขาใส่หรอเปล่าเราซื้ออาหารแพงๆให้เขากินรึเปล่าเราหาบ้านหรูหลาให้เขาอยู่รึเปล่าเราพาเขาไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนรึเปล่าอันนี้ เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเราเราก็เลยไม่ต้องดูแลเขาเป็นกรณีพิเศษดูแลไปพอให้เขาอยู่ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเขานั่นเองชันใดตอนนี้พวกเรามีความหลงกับร่างกายของเราเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็เลยมาวุ่นวายเลี้ยงดูร่างกายแบบพิเศษอย่างเต็มที่ เสื้อผ้าก็ต้องซื้อของดีๆของแพงๆมาใส่อาหารก็ต้องหาอาหารดีๆหาอาหารแพงๆมาใส่บ้านก็ต้องหาบ้านดีๆมาอยู่เวลารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องไปหาไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนถ้าเราต้องดูแลร่างกายแบบนี้เราก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันเวลาหาเงินหาทองเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไร มันสุขหรือมันไม่สุขหาเงินไม่มีใครอยากจะไปทำงานหรอกถ้ามีเงินมีทองพอกินพอใจรับรองได้ว่าจ้างไปก็ไม่ไปการทำงานนี่มันเหนื่อยมันวุ่นวายนันเรื่องมากแต่ที่ต้องไปเพราะพวกเรายังต้องใช้เงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายดังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากจะต้องวุ่นวายกับการทำงานกับการหาเงินหาทองให้มันมากเกินไป ก็ดิยงร่างกายเราเหมือนกับเราเลี้ยงขนใช้คอยสอนคอยเตือนใจว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงขนรับใช้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องลาออกจากงานไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเขาก็จะไม่สามารถรับใช้เราได้ดังนั้นเราอย่าไปใช้ร่างกายเราอย่าไปพึ่งร่างกายเรามาพึ่งอย่างอื่นดีกว่า ตอนนี้ที่เราต้องพึ่งร่างกายเพราะเราไม่รู้วิธีหาความสุขแบบอื่นเราเลยต้องอาศัยการดีร่างกายเป็นคนพาเราไปหาความสุขเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่สบายเราก็ไปเที่ยวไม่ได้เราก็ไปหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าร่างกายเราสบายเราก็จะใช้มันพาเราไปหาความสุขต่างๆเราจงไม่ชอบความไม่สบาย เราจึงไม่ชอบความตายกันเพราะเวลาร่างกายไม่สบายร่างกายตายเราจะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ถ้าเรามาพบกับพระโสดาบันพระอริยสงสาวกท่านจะบอกว่ามีวิธีหาความสุขที่ดีกว่าการหาความสุขจากทางร่างกายก็คือวิธีทำบุญทำทานวิธีรักษาศีลวิธีภาวนา เพื่อทำใจให้สงบถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ใจของเราจะสงบแล้วพอใจสงบนี้เราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายที่ดีกว่าความสุขจากการได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ความสุขนี้ก็ยังมีอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระอริยเจา้าพอเราได้เรียนรู้จากท่านแล้วเราก็จะได้เอามาปฏิบัติที่พวกเรามาทาบุญทำทานมารักษาศีลมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมภาวนากันก็เพราะคำสอนของพระ อริยะเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านสอนให้พวกเราทําอย่างนี้เพื่อให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ให้เลิกหาความสุขแบบเก่าเพราะเป็นวิธีหาความทุกข์กันเพราะเราต้องพึ่งร่างกายแล้วร่างกายก็พึ่งไม่ได้ตลอดร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องแก่และจะต้องตายไปพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยทุกข์กัน เราจึงกลัวความแก่กันกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายกันแต่สำหรับพระอริยเจ้านี่ท่านไม่กลัวเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะท่านสามารถหาความสุขได้ด้วยตนเองหาความสุขได้ด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำใจให้สงบอันนี้แหะ คือความหมายของการที่เราได้ปามีพระอริยสงฆ์เป็นมีพระสังฆรัตรนะเป็นที่พึ่งทางใจแต่ถ้าเป็นพระธรรมดาพระที่พึ่งที่บวชแล้วแต่ยังไม่บรรลุท่านยังจะไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ท่านไม่ต้องกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเป็นอย่างไรท่านยังต้องศึกษา ต้องไปศึกษากับพระอริยสงสาวกแล้วต่อไปท่านก็จะสามารถแยกแยะใจของท่านออกจากร่างกายได้สามารถเลิกพึ่งร่างกายได้เพราะท่านสามารถพึ่งความสงบพึ่งความสุขที่ได้จากความสงบได้นี่คือความหมายของการมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเป็นสารน้ำกระฉามิ สังคังสะวันนกฉามิก็คือพึ่งพระอริยสงฆ์ให้เป็นผู้สอนเราว่าวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องมาทุกกับร่างกายของเรานี้ทําอย่างไรพอเรารู้แล้วถ้าเรานําเอาไปปฏิบัติต่อไปเราก็จะไม่ทุกกับร่างกายเช่นละแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นมาให้ร่างกายใช้ เช่นซื้อเสื้อผ้าที่มีอยู่มากมายแล้วซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าที่มีอยู่พอเพียงแล้วแทนที่จะเอาเงินนี้มาซื้อของให้ร่างกายเรามาซื้อความสงบเอาเงินไปซื้อความสงบให้กับใจดีกว่าด้วยการทําบุญทําทานเวลาเราเอาเงินมาทําบุญทาทานนี้ใจเราจะสงบลงลงไปในระดับหนึ่งเพราะเราระงรับความอยาก ที่จะไปซื้อของต่างๆมาใช้กับร่างกายได้เวลาเรามีความอยากนี้ใจของเราจะหงุดหงิดลำคาญใจถ้าเราไม่ได้ไปทำตามความอยากใจเราจะไม่หายหงุดหงิดอยากจะซื้อกระเป๋าอยากจะซื้อรองเท้ามันก็จะหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆพอได้ซื้อแล้วก็จะหายหงุดหงิดแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกระเป๋าเจอรองเท้าชุดใหม่ ก็เกิดความหมวดหงิดอยากจะซื้อขึ้นมาอีกมันจะกลายเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดไปจะทำให้เราหงุดหงิดเรื่อยๆเวลาที่เราเห็นของใหม่วิธีที่จะแก้ความหงมุดหงิดนี้ทำใจให้สงบที่แท้จริงก็ต้องอยาไปซื้อตามความอยากเอาเงินที่จะไปซื้อตามความอยากนี้เอาไปทำบุญแทนเอาไปให้คนอื่นทานซื้อของให้คนอื่นใช้ เช่นซื้ออาหารซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อจีวรมาถวายพระพอเราได้ซื้อของมาถวายพระใจเราก็มีความสุขมีความอิ่มขึ้นมาความญหงุดหงิดลาคาญใจที่อยากจะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็จะหายไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเพราะว่าการทําบุญนี้เป็นเหมือนกับการให้อาหารกับใจทําให้ใจไม่หิวไม่อยาก ไม่เหมือนกับการซื้อของฟุ่มเฟือยให้กับร่างกายเป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติดซื้อมาแล้วก็ติดก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีที่เก็บของในบ้านนะเพราะความอยากนี้มันไม่มีวันหมดจากการที่เราทำตามความอยากวิธีจะทำให้ความอยากซื้อของต่างๆหมดก็คือทุกครั้งที่อยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็นเอาเงินไปทาบุญเอาเงินนั้นไปทาบุญแทน แล้วใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะมีความสบายแล้วต่อไปเราจะเลี้ยงร่างกายแบบเลี้ยงคนใช้ได้ให้มันอยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อของแพงๆมาใส่รองเท้าอะไรก็ไม่ต้องใช้ของแพงเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินมาเลี้ยงคนใช้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาทำใจให้สงบกัน เพราะความสงบจากการไท่าทานนี้ยังไม่สงบเต็มที่สงบบางส่วนต้องเพิ่มขึ้นจากการมารักษาศีลเช่นวันนี้เรารักษาศีลห้าได้ใจเราก็จะสงบมากขึ้นจะมีความวุ่นวายน้อยลงไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่รักษาศีลเวลาเราไปทำบาสนี้ใจเราจะไม่สบายขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาศใจเราก็จะเย็นจะสบาย แล้วต่อจากนั้นเราก็จะได้ไปภาวนาไปฝึกนั่งสมาธิกันไปหัดไหว้พระสวดมนต์กันก่อนเพื่อเป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่มีสติควบคุมความคิดไม่ได้ใจจะสงบไม่ได้เราก็เลยใช้การสวดมนต์เป็นวิธีควบคุมความคิดเวลาเราสวดนี้เราจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจสวดจริง พอเราสวดได้ใจเราก็จะมีสติพอเราจะนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะไม่คิดอะไรใจก็จะดูลมไปเรื่อยๆพอดูลมไปนานๆเข้าจิตก็จะสงบสงบแล้วก็จะสบายมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ว่าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองเป็นวิธีที่หาความสุขที่ง่ายที่สุดที่ถูกที่สุดที่สบายที่สุดแต่พวกเราไม่รู้กันเราก็เลยไปหาความสุขที่ยากที่เหนื่อยแล้วก็ไม่ไม่อิ่มไม่พอหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆ ไม่เหมือนกับความสุขง่ายๆนั่งเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้มันไปคิดอะไรถ้ามันสงบแล้วมันจะมีความสุขแล้วพอเราทำได้แล้วเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยยากไม่ต้องไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาข้าของเงินทองต่างๆเพราะดูแลยังไง ร, รักษายัางไงเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปอยู่ดี ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไรเลยไม่ต้องพึ่งข้าวของเงินทองไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายของเราเราจึงจะเราจึงจะไม่ทุกกับร่างกายของเราเราจะไม่ทุกกับร่างกายของคนอื่นเราจะไม่ทุกกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเขาจะอยู่เขาจะไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือ สิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดในวันพระกันเราจะได้มาพึ่งพระรัตนตรัยกันมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ทำให้ตัวของเรานี้ได้เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เราสามารถเป็นได้ทั้งในขณะที่เป็นคารวาส ห้วยขณะที่เป็นนักบวชการเป็นเพศค า, ารวะรือนักบวชนี้ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าจะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้การที่จะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติตามคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าถ้าปฏิบัติได้แม้แต่เด็กก็ยังบรรลุได้สมัยพระพุทธกาลนี้มีสัมมาเองบรรลุเป็นพระอรหันต์กัน สามารถสั่งสอนพระเถระที่บวชมาหลายสิบพรรษาได้เป็นอาจารย์ของพระเถระที่ยังไม่บรรลุได้นี่คือความประเสริฐที่พวกเรามาหากันในวันนี้มาหาพระแปลว่าหาความประเสริฐหาความประเสริฐด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดก็คือ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสาธิสาธมีจิปฏิปันโนถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสประการนี้ผลที่จะเกิดตามมาก็คือการมารู้พระอริยสงฆ์สาวกขั้นต่างๆตัง้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่สอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของเหตุของผลถ้ามีเหตุผลก็จะเกิดขึ้นมา มันไม่จาเป็นว่าจะต้องมีเกิดขึ้นในเฉพาะในยุค ข, ของพ่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเกิดได้ทุกยุคทุกสมัยถ้ามีเหตุมันก็จะมีผลถ้าไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีผลดังนั้นขอให้พวกเรามาสร้างเหตุกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วรับรองได้ว่าผลคือมักผลขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญคข้าคกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเธอ